ให้ชาวอ พ, อพอพอรู้เรื่องกินยังทนๆนิดหนึ่งนะเราฟังอะไรที่มันไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันความจริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงพ่อมางแต่ว่าท่านไม่ได้สอนทั่วๆไปกับโยมพูดทั่วไปอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ย ไม่มีการสอบอารมณ์ไม่ต้องมานั่งถามลูกศิษย์นะว่าภาวนายังไงจิตเป็นยังไงมันไม่จำเป็นท่านมองประท่านก็รู้อยู่แล้วนั้นกำมาฐานนี่พวกเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองเวลายอยู่กับครูบาอาจารย์จริงๆส่งกันบ้านท่าน ถามท่านท่านตอบอะไรมันไม่มีคนจดบันทึกไม่มีคนอัดเททไว้มันหายหายไปนี่อย่างพอมาถึงยุคนี้หลวงพ่อพูดไว้ก็มีคนทำซีดีทําอะไรบางคนรู้สึกเป็นเรื่องแปลกสิ่งเป็นธรรมะ พ, พื้นๆเลยเรื่องธรรมดาแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันในเมื่อของไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟัง ก็ฟังยากนิดหนึ่งตอนแร ก, แรกอะไรที่มันไม่เคยแรกๆมันก็ยากทั้งนั้นแหละเหมืนอนเราหัดขับรถยนต์นึกออกไหมคนที่ขับรถยนตได้หัดวันแรกรู้สึกไหมว่าเดินง่ายเบื่อขับรถอีกสมัยสลวงพ่อเนะี่มันไม่มีหลอกรถออโต้ออโ ต, อออตอนะมีแต่รถเกียร์กระปุกตอนจะออกตัวนะเหมือนกบนะจะโดดตุ๊กตุ๊บออกไปนะ ตอนวิ่งเหมือนงูวิ่งไปชนเขาตายเหมือนหมาตอนนี้พอลับรถเป็นแล้วมันมันสบายกว่าเดินการปฏิบัติก็เหมือนกันนะหัดแรกๆเนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวเป็นนียากยากมากเลยพอรู้สึกตัวเป็นแล้วมันง่ายทีแรกจะหาัวรู้สึกตัวนั้นเหนื่อยถ้าหลงหลงเผลอเลอไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เหนื่อยสบายมีความสุข เขาจะมาหาร <Con> <moi> <wers> ู <Wat> ้สึกตัวแล้วเหนื่อยแต่พอรู้สึกตัวเป็นมันจะกลับข้างกันการที่เราหลงหลงเปลือยเลอนั่นแหละเหนื่อยแต่การที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่นะมันมีความสุขจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความสบายเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติเอาความลําบากยิ่งภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์ยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขนะไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรียนหนังสือ เรียนทางโลกเนะี่ชั้นปฐมมันก็ยากหน่อยนะตอนหนึ่งพอจะเขียนหนังสือเป็นอะไรเงี้ยสมเขียนได้แล้วมันก็ง่ายๆนะไปยากอีกทีโน้นหมอปลายจะเข้ามาหาวิทยาลัยอะไรอยู่ยากฉนั้นทางโลกเนี่ยยิ่งเรียนสูงขึ้นไปยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆในทางธรรมะ ย, ยิ่งเรียนยิ่งง่ายถ้าเราเรียนเรื่องตัวเองเราไม่ได้เรียนเรื่องอืง่น เราเรียนเรื่องกายเรียนเรื่องใจที่แรกรู้กายรู้ใจไม่เป็นค่อยหัดไปหัดไปมันก็รู้สึกกายรู้สึกใจเป็นได้มีสติขึ้นมาแต่เดิมรู้กายรู้ใจก็ไปเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจก็ใช้ไม่ได้แต่นะปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่หลบข้อพูดแบบสุภาพเกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยถ้าไม่เกรงใจก็คือร้อยละร้อยแหละหลงกระเส็นกระสายมาก็พันคน ได้หลงมาสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาน้อยเต็มทีนะส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งเอาเนี่ยเราต้องค่อยๆเรียนนะจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาไม่ใช่ผู้เพ่งตรงที่เราเผลอไปก็เป็นผู้คิด ต, ตรงที่ตั้งใจปฏิบัติหนึ่งก็กลายเป็นผู้เพ่งใช้ไม่ได้ทั้งคู่เราต้องค่อยๆฟังทำรร ม, มาจนกระทั่งจิตของเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีเบิกบานด้วยนะ ไม่ใช่ตื่นแบบแห้งแรงแข็งกระด้างจิต ท, ที่ตื่นนั้นมีความสุขอยู่ในตัวเอง <c oughs> เราต้องค่อยๆฝึกจนกระทั่งใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมา <c oughs> แล้วก็เห็นกาย <c oughs> เห็นใจก็ทํางานไปไม่ใช่เราแล้ะคราว น, นี้เวลาอะไรเกิดขึ้นเราไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นร่างกายเจ็บป่วยร่างกายมันเจ็บป่วยไม่ใช่เราเจ็บป่วยจิตใจ วุ่นวายขึ้นมาเห็นว่าจิตใจมั น, นวุ่นวา ย, ายไม่ใช่เราวุ่นวายเนื้อกายทั้งใจไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้นะไปไม่มีส่วนได้เสียในกายในใจนี้เราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็ไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกคราวนี้โลกจะแตกเราก็ยังมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละมีความสุขมีความสงบก า, ารภาวนายิ่งภาวนาไปยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ เคยมีคนแก่คนหนึ่งผู้เฒ่า <c oughs> มาต่อว่าหลวงพ่อประเทศอะไรแต่เรื่องความสุขพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ต่างหากเลอันนี้แกไม่เข้าใจของวัตถทุกข์ทุกข์ในนิยามของพระพุทธเจ้าคือกายกับใจขันห้านะคือทุกข์งั้นการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจพวกเราก็จะรู้สึกว่ากายนี้มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างจิตนี้มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเราจะรู้สึกได้อย่างนี้ไม่เห็นว่ามันจะเป็นทุกข์เลย ทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์เราก็ว่าเราเข้าใจธรรมะที่ท่านสอนนะแต่ถามหน่อยเถะมีใครเห็นว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์มีไหมสารภาพมากมีไหมถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ก็ต้องกล้านาคามีนะเห็นใจเป็นทุกข์ก็ต้องกล้าระหันพวกเราเห็นไม่ได้พวกเราเห็นแต่ว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง จิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นอยู่แค่นี้เองอย่านึกนะว่าเข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจหรอกหรือพยายามคิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์นะเป็นปฏิกูลาสุภาคิดคิดใหญ่คิดใหญ่อันนั้นมันทุกขเวทนาทุกขัศา์กับทุกขเวทนามนคุลาันกันหรือนั่งดูร่างกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยเราบอกว่าเห็นทุกข เห็นทุกข์ไม่ได้เห็นอย่างนั้นถ้าเห็นทุกข์ที่แท้จริงก็คือเห็นว่าร่างกายที่ปวดที่เมื่ อ, อยนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ถึงจะเรียกว่าเห็นทุกข์คือเห็นความจริงของตัวทุกข์นั่นเองตัวทุกข์คือตัวธาตุตัวขันนั่นแหละเราเห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ม <c oughs> ีกลา่าวหนึ่งหลวงพ่อไปเรียนสจวสถาบันจิวิทยาข อ, ของมั่นคงตอนนั้นไปเรียนอายุน้อย ลองหลนะมีอายุอ่อนกว่าเราอีกคนเดียวไม่กี่เดือนนอกนั้นใกล้กเกษียณมีผู้ว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนหนึงเรียนร่วมรุ่นกันนี่ตอนเรียนแล้วก็พาไปเที่ยวนะไปทั่วประเทศเลยวันหนึ่งขึ้นไปทำหาปหล่องหากันไปเขาแยกทำเป็นกลุ่มๆบางคนก็จะเที่ย ว, ยวดูอะไรเขาก็ดูไปแนละ้วเราชวนกันไปกลุ่มหนึ่ง ขึ้นไปทำผาปล่อง <c oughs> เดินขึ้นไปบนถ้ำหลวงพ่อเด็กของเขาเนี่เดินเร็วเดินเดินเดินขึ้นไปช่วงนั้นเขาทำประตูปิดปากถ้ำแล้วประตูยืดเหมือนประตูหน้าห้องแถวหน้าตึกแถวไปนั่งปุ๊บแย่หลวงปู่อยู่ไหนหลวงปู่ไม่อยู่นะปฏิดีพระเดินมาสามารถหลวงปู่อยู่ไหมครั บ, นะรบพ่กเหยียดขึ้นมาไม่ถึงเราขึ้นกับเราถามก่อน ตาบอกโยู่อยู่ในกรดนั่นแหละท่าน ก, ากลางกรดอยู่มองเห็นกรดนะ้นแล้วแง่เราดูเข้าไปในกรดนะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เป็นกรดเปล่าๆนะูือส่ย้าไม่รู้ว่าหลวงปู่ไปไหนแนละ้วนดะังนั้นเราภาวนาก็ยังไม่ได้แจ่มแจ้งเต็มที่ <c oughs> เห็นแต่กรดเปล่าๆสักพักหนึ่งได้ยี่สิบนาทีได้ทีมที่ไปด้วยกันนีเดินขึ้นมาถึงแก่ๆทั้งนั้นเลย แก่แก่เอ่อเข้าขึ้นมาถึงปุ๊บนะหลวงปู่ก็ออกมาจากกรดจริงๆอยู่ในนั้นจริงๆเฮ้ยทำไมเราธรรมดาเราจิตไวมากนะใครอยู่ตรงไหนเราก็รู้ได้อะไรเงี้ยไวนี่อยู่ในกรดต่อหน้าต่อตาไม่เห็นนะ่ะท่านเดินยิ้มออกมานะท่านอ้วนเดินช้าๆมายิ้มหวานมาควักกุญแจมาไขบอกหลวงพ่อเมื่อกี้ เดินขึ้นมาเหนื่อยๆเลยให้นั่งพักก่อนพวกที่ตามมาทีหลังก็ขึ้นมาขึ้นไปถึงท่านเทศเลยเอานั่งขัดสมาธิหมู่ปุ๊บสิให้ขัดสมาธิเทศเทศเทศให้ฟังนะเทศไปห้านาทีสิบนาทีพพวกก็เริ่มเปลี่ยนเป็นขัดลาบบ้างแล้วนั่งไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยมีพี่คนหนึ่งผู้หญิงชื่อหมอทองภูนอยู่โรงพยาบาลางเกษียนแ แ่กะนึกนะโอ้หลวงปู่เทศดีจังเลยเสียดายลูกสาวเราอยู่อเมริกาไม่ได้ฟังเทศดีๆอย่างนี้ยหลวงปู่หยุดกๆเลยนะหันมาดูเลยฟังอยู่ท่านผาเปล่งคิดถึงลูกที่อเมริกาใช้ไม่ได้ห <c oughs> ลวงปูต่ตาท่านแก่นะท่านไม่ปิดบังแล้วนะยังหนุ่มๆท่านก็ปิดอยู่หรอกหมอทองคุณตาเหลือกเลยนะ่อ ย, ยืดยืดยืดเ <c oughs> ตือนะตกสะลึงท่านบอกเอานั่งนั่ง เทสเทสเทสเทสไชั่วโมงเหลือคนที่นั่งได้อยู่สองคนหลวงพ่อกับพี่คนชื่อพี่ยืนยงนั่นอยู่ไฟฟ้าปุ๋ยภาพนั่งได้สองคนนั่งขัดเทสอ่ะเจ็บนะเสร็จแล้วท่านก็ยิ้ ม, มถามเป็นไงนั่งขัดเทสพี่ยืนยงก็ตอบมันปวดมากเลยครับมันเจ็บมากเลยหลวงปู่ก็ยิ้มหวานขามันบอกเล่า ว, ว่ามันเจ็บ เจ็บจริงๆผมไม่กโกหกหลวงปู่หรอกหลวงปู่ก็เลยยิ้มๆหน้าไม่พูดต่อบคือท่านสอนทำมาให้นะที่เจ็บอ่ะขามันเจ็บหรือเปล่าขามันเป็นคนเจ็บใช่ไหมเราไม่ได้เจ็บนะขามันไม่ได้บน่นเส้อหน่อยเลยว่าขามันเจ็บแต่เราไปบ่นเองในเวลาที่เราภาวนานะแต่จะค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกมาตัวเราออกไปถ้าร่างกายมันเจ็บก็ไม่ใช่เราเจ็บจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เราฟุ้งซ่าน เราจะอยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงของธาตุของขันธ์ธาตุขันธ์เนี่ยเป็นของต้องเปลี่ยนแปลงเราอยากคิดนะว่าคําว่าพระอรหันต์ผู้พ้นทุกข์แล้วอ่ะธาตุขันธ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใช่ธาตุขันธ์ไม่ใช่พระอรหันต์ธาตุขันธ์ก็ยังมีความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาของมันมีความหิวความหนาวความร้อนความกระหายมีเป็นปกติธรรมดาแต่ใจ ซึ่งรู้เท่าทันแล้วไม่เข้าไปยึดไปถือมีนพ้นจากธาตุจากขันมีความสุขเมืนน่อนิโรธจะเป็นความพ้นทุกนะันอย่าไปแปลง่ายๆว่าดับทุกนะมันพ้นทุกก่อนพ้นทุกแล้วเราก็ดำรงขันไปได้แหละขันมันก็เป็นทุกแต่จิตไม่ทุกเนี่ยจิตใจไม่มีความทุกเจือพ้นเพราะว่าขันมันเป็นทุกขันนี่ก็ส่วนขันจิตก็ส่วนจิตไปค่อยๆฝึกไปนะ <c oughs> การฝึกก็ต้องอดทนเรียนรู้เป็นลำดับลาดับไปเมื่อวานหลวงพ่อเล่าการภาวนาของหลวงพ่อตั้งแต่เบื้องต้นให้ฟังการภาวนาถัดจากนั้นขึ้นมามจะยากขึ้นยิ่งขึ้นนะแต่ว่ายากก็ไม่ยากนะถ้ารู้หลักถ้าไม่รู้หลักนี่ยากที่สุดเลยเหมือนคนตาบอดกลําไปในป่ารกชัดเลยเพราะเราอยู่ในแค่สาวภพภูมิ เราไม่ใช่พุทธภูมิที่จะคำทางได้เองก็ต้องอาศัยคำสอนของครูบาอาจารย์ <c oughs> หลวงพ่อไปภาวนากัหลวงปูดูลปีสองห้าไปเรียนท่านครั้งแรกยี่สิบสามภุมพาสองห้าแล้วภาวนายอยู่เจ็ดเดือนย3ิบสามกันยาสองห้าแล้วคิดว่าเออพอเข้าใจอะไรบ้างละ ปลายตายปีไปหาท่านมีเวลาไปส่งกันบ้านท่านก็บอกว่าช่วยตัวเองได้ละไม่ต้องมาหาท่านแต่เราก็ดื้อไปนะดื้อไปเรื่อยๆสามเดือนสี่เดือนไปทีหนึ่งท่านก็จะสอนธรรมะในระดับที่เราดําเนินอยู่ น, นั่นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งปีสองหกสามสิบหกวันก่อนท่านมารณภาพสาสิบหกวันไปกราบท่านตอนเย็น ให้ระเทศเทศเทศให้ฟังนะจนทุ่มหนึ่งท่านหอบเลยพู้เท่าอายุเก้าสิบห้าเก้าสิบหกปีพูดนานๆานหอบเรายังหอบเลยพูดกระยมทุกวันนะท่านแก่กว่าเราเยอะเลย<ท>พอเห็นท่านหอบเราสงสารหลวงปู่ผมจะกลับละ <c oughs> ท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้จำไหมนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ที่ท่านให้มรดกไว้นะถ้าไม่มีประโยคนี้ทำต่อไม่ไหวเลยยากที่สุดนะยากมากเราเคยภาวนามาตั้งแต่เริ่มต้นเรามีตัวผู้รู้เราก็สงวนรักษาตัวผู้รู้มาตลอดเราเห็นตัวผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝากทายเป็นที่พึ่งที่อาศัยผู้หลงทั้งหากนำความทุกข์มาให้แต่ผู้รู้นำความสุขมาให้แล้วเราสงวนรักษาผู้รู้ ครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนรงอางห่วงไข่นะห่วงมากตัวผู้รู้นี้ครั้งสุดท้ายเจอท่านท่านกับสั่งบอกให้ทํำลายมันทิ้งไปให้ทํำลายผู้รู้ถ้าไม่ทํำลายผู้รู้ไม่ถึงความบริสุทธทิ์ที่แท้จริงท่านอาจเข้าใจไหม <c oughs> ไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจําไว้บอกซื่อๆนะไม่มีวางฟอร์มนะว่าผมรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่มี ไม่รู้หรอกครับไม่เข้าใจแต่จะจำไหมฉันบอกเออจำไหมนะไปได้แล้วไปหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่นะประโยคสุดท้ายก็คือไปทุกทีหลวงพ่อมาพูดกับโยมถึงเชิญกลับบ้านสุภาพกว่ากันนะ <c oughs> อยู่กับหลวงปู่ไปไปมีแต่คำว่าไปนะไปทำเอาคิดถึงสมัยพุทธกาลเลยเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วถูกไล่ โน่นปนไม้นั้นเรือนว่างโน่นภูเขานี่ลำฟังนี่ถ้าไปไปทําเอาัี่เรียนธรรมะนะต้องไปทําเอาแม้อย่างเกาะกูบาจาย์อยู่นะเสียเวลานี่อยู่สุรินทร์คืนหนึ่งเช้าว่าขึ้นรถไฟมาแวะโคราชเป็นธรรมดาของหลวงพ่อเลยไปหาหลวงปู่ ด, ดูลแล้วขกลับต้องแวะกราบหลวงพ่อพุทธเข้าไปเจอหลวงพ่อพุทธนั่งเทศอยู่ ท่านก็ถามางไงนักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินะไม่เคยบอกชื่อท่านนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพูดใครเคฟังท่านท่านาพูดช้าชานะบอกท่านอย่างนี้ท่านก็ขยักนะ บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่หละเป็นสุดยอดกรรมฐานนี่ไม่ล้อท่านนะคอัเรา ล, ลึกถึงท่านนะนึกถึงท่านคำพูดของท่านถึงฝัง อ, อกฝังใจก็ท่างสำเนียงเสียงฝังลึกถึงจิตถึงใจรักครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งอาทิตย์ท่านก็ไปเยี่ยมหลวงปูด่ดุล ตอนจะกลับหลวงปู่ดุลย์ก็บอกเจ้าคุณอย่าลืมนะการปฏิบัตินะ่ะไม่ยากอะไรหรอกเจ้าคุณการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเสร็จแล้วบอกเนี่ท่านไปหาหลวงปู่หลวงปู่สอนอย่างเดียวกันนี้เสร็จแล้วท่านก็บอกต่อบอกคุณกับหลวงพ่อมาทำปฏิกากันมไหมมาตกลงกัน ใครทําลายให้เกาะได้ก่อนนะให้มาบอกกันให้ช่วยกันนะให้มาบอกกันโอ้ยเราอยงเด็กเล็กเลยนะท่านอา้เท่าผู้ใหญ่อูบาจานทร์ท่านพูดอย่างนั้นเราก็โอ้ท่านคงเป็นอุบายดอกเราเป็นลูกศิษย์หลวงู่ดูลอยู่ๆท่านบอกท่านจะมาสอนเราเนี้ก็ไม่มีธรรมเนียมท่านคงออกอุบายว่าถ้าท่านรู้แล้วท่านจะบอก หลังจากนั้นนะไม่ค่อยเจอท่านน่ะญาติโยมเยอะมากท่านก็หายไปเลยหลวงปู่ก็มรณภาพาปไปแล้ว <c oughs> เวลาพูดในหมู่ลูกศิษย์เราก็บอกหลวงปูนิพพานไปแล้วพูดในที่สาธานะรณะแล้วก็บอกท่านมรณภาพาปไปแล้วเขาไม่มีใครรับรองเนี่ยท่านไม่มีพระพุทธเจ้าออกเซอร์ติฟิเคตให้ั่นเราก็พูดไม่ได้เต็มปากแล้วก็เชื่อเชื่อเอา ผ <c oughs> ูดเป็นทางการก็ว่าท่านมารณภาพไปแล้วหลวงพ่อพุธก็หาไม่ค่อยเจอนะท่านโยมเยอะรับนิมนต์ตลอดไปวัดก็ไม่ค่อยเจอท่านหลายปีนะจนกระทั่งสุดท้ายเลยปีเท่าไหร่จําไม่ได้แนละ้วสีเท่าไหร่นะสี่หนึ่งนะสี่สี่สี่สีไม่ใช่แนละ้วคือก่อนท่านมารณภาพไม่นานนะท่านไปนเทศที่องค์การโทรศัพท์ ใต้อยู่ที่ใต้อยู่ด้วยป่ะวันนั้นคนก็เต็มห้องนะท่านเทศเราก็นั่งฟังอยู่ห่างๆพอเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานละท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติจริงๆมีไม่มากหรอกกราบเรียนท่านอีกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลย <c oughs> ที่แรกท่านเทศมาชั่วโมงนละ้ท่านก็เทศเอื่อยๆไปนะ บอกผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะท่านฐานว่ยคึกคักเลยนะซุ่มเสียงเปลี่ยนเลยบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองหูพูดเท่าหานมากเลยพอเราฟังท่านเราก็รู้เลยโอ้ท่านเข้าใจการเจาะทําลายเปลือกไข่อันนี้ออกมาอล้วนึกถึงในพระไตรปิฎกก็มีมีพรามคนหนึ่งไปด่าพระพุทธเจ้าว่าไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ แพ <c oughs> ระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านนี่แหละผู้ใหญ่ที่สุดท่านเป็นลูกไก่ตัวแรกที่จเจาะเปลือกออกมาได้มาฟังสำนวนหลวงพขาพูดเหมือนกันแท้บอกจิตมันเหมือนลูกไก่นะตัวผู้รู้นั่นแหละเหมือนลูกไก่เมื่อโตเต็มที่เราเจาะทำลายเปลือกออกมาฟังแล้วโอ้คุณธรรมท่านก้าวหน้าไปก็ดีใจนะได้ฟังแนวทา ง, งท่านอีกเราหมดจะไปหาวิธีจเจาะเปลือก ที่แท้มันจาะเขาอมันเองเความจริงความรู้อย่างนี้ก็เข้าใจมาแต่เบื้องต้นแล้วแต่ว่าพอภาวนาภาวนาไปถึงจุดหนึ่งมันก็ลืมไปอีกหาทางทำอีกแล้วอย่างพวกเราก็จะหาทางทำใช่ไหมมันจะทำไปเรื่อยเรืยตั้งแต่ต้นจนสุดทางเลยนะนจะคิดแต่เรื่องทําทํายังไงจะดีทําไงจะหลุดพ้นทําไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดแต่จะทําลืมไปอย่างหนึ่งว่าถ้าทําได้ จิตก็เป็นอัตตาสิไม่ใช่อนัตตานิพพานก็เป็นอัตตาเอามาบังคับได้ในความเป็นจริงแล้วทำทั้งปวงทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมา ท, ทั้งนิพพานล้ว น, นแต่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทําไม่ได้หรอกแล้วก็หลงทำในใจยังคิดตลอดเวลาทํายังไงจะดีทําังไงจะถูกทําังไงจะดีทําังไงจะถูกพวกเราคิดไหมมานั่งเรียนกับหลวงพ่ อ, อนึกหมทำยังไงจะเข้าใจวะ เข้าใจแล้วเราจะได้เอาไปปฏิบัติได้ถูกหาทางทําให้ถูกจะบอกให้อย่างหนึง่งบอกกันซื่อๆนะในฐานะผู้ปฏิบัติด้วยกันทํายังไงก็ผิดจำไหมนะจำไหมนะถ้ารู้ทันการทําของจิตจิตมันทําของมันเองถ้ารู้ทันการกระทําของมันแล้วเราไม่ไปทําอะไรมันรู้ลูกเดียวรู้ความปรุงแต่งโดยเราไม่ปรุงแต่งซีจิตจะเก้าค้นความปรุงแต่งได้จำไหมนะ วันนี้ยังไม่ได้ใช้ทำอันนี้หรอกแต่ก็ฟังไว้เก็บไว้เดี๋ยวมันก็จะคุณสุเมธี่ไปทำซีดีให้ฟังไปเรื่อยๆจนแก่นะ <c oughs> มีบุญวาสนาก็จะได้ใช้ธรรมะเสร็จแล้วเราก็รู้แล้วโอ้มันทำลายอีกในขณะที่ตลอดทางของการปฏิบัติเราคิดว่าจะทำยังไงเสร็จแล้วในเพศของคารวะมันทาให้ประณีตยิ่งกว่านั้นไม่ไหว เหตของคารวาสใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาหัวสุขหัวสุนไปทํางานหุ่นวายทั้งวันนะกลับมาก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะมาทํากรรมฐานได้นิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยหมดแรงสลบสลายเช้าขึ้นมาหัวสุกหัวสุนอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอาศัยแต่ว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะั้นช่วยให้เราได้ธรรมะเบื้องต้นได้นะแต่จะถึงขนาด ให้แตกหักข้ามพบข้ามชาติจริงๆยากที่สุดเลยยากคนะารวะาถึงที่สุดก็มีแต่สังเกตให้ดีอย่างในพระใจปิดบครารวาที่ถึงที่สุดเนี่ยคือพวกรีทายแล้วอย่างพระเจ้าสุดโทตนาไม่มีอะไรทำแล้วจนะบหนักใกล้จะตายแล้วก็มีนะคารวาะถึงที่สุดก็มีแต่ว่าถึงที่สุดแล้วขอบวชดังนั้นบารมีท่านเต็มแลนะ้วเทียบยากนะ เทียบยากเราไปเทียบกับท่านยากของเราบารมีไม่ได้แก่กล้าขนาดนั้นเวรา้นเราภาวนาเป็นฆราวาส น, นะได้โสดาสกีถักคาอะไรนี่หล่อเลี้ยงเอาไว้มีโอกาสไปต่อข้างหน้ามีโอกาสได้บวชภาวนาทาที่สุดของทุกข์พอบวชแล้วก็มาภาวนาต่อทําไงจะได้ทําไงจะได้นะเขา อ, อดไม่ได้เราคิดไปเรื่อยเลย แต่ใจมันก็เด่นดวงเป็นผู้รู้เด่นโดดเด่นอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะ <c oughs> หลายหลายวันไปมันก็หมองได้อีกเอ๊ะทำไงว่าภานา ถ, ถ้าเป็นท้ตายนะหมองมองไปอีกแล้วเรานึกว่าใจจิตที่เป็นผู้รู้ถ้าเสถียรมื่อไร่เนี่ยก็คือ น, นิพพานถ้าจิตผู้รู้นี่ไม่เสถียรสักทีจเจริญขึ้นไปช่วงหนึ่งก็เสื่อมลงไปอีกเป็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกนะหลายทีนะ จนท้อใจเลยท้อใจโอ้ชาตินี้ไม่ได้ละสุดสติสุดปัญญาแล้วไม่มีทางทำได้ทำไม่ได้ถอดใจเลยนะพอถอดใจเนี่ยจิตมันเลิกดินน้นรนนั่งรู้นั่งดูของเราไปจิตใจก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยจะหาทางทำให้มันหลุดพ้นทำไม่ได้หรอก มีหน้าที่จเจริญสติรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆใครอยากฟังภาคพิสดาลต่อไปนี้ก็มาบวชนะเราจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทำได้แต่เราต้องสร้างบารมี ไม่มีใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราเลยในขณะที่จะทําสงครามข้ามภพข้ามชาตินะอาศัยแต่บุญบารมีที่สร้างมาอย่างสมควรแล้วนะรอบด้านแล้วเนียถึงจะช่วยเราได้ในขณะทําสงครามข้ามภพข้ามชาติเนี่ยเหมือนในพุทธประวัตินั่นแหละมารถจนนะ <c oughs> มารจะผจนในขณะนาที่สุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติแต่ว่านาที่สุดท้ายก็ไม่ใช่ช่วงสุดท้าย อย่างพอเรานั่งลงไปแล้วเราก็จะภาวนาเป็นตายเราก็จะสู้ตายแล้วเป็นนี้เราตั้งใจเดี่ยวเราภาวนาไม่ถอยคือทีแรกภาวนาอยู่จิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขอยู่นะอยู่ๆฉับพลันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็พลิกตัวทีเดียวกลายเป็นผู้ทุกข์ล้วนๆเลยไม่มีอะไรจะทุกข์เหมือนจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละ แม้อวิชาแท้ๆซ่อนอยู่ในตัวผู้รู้นี่เองมันเป็นตัวทุกข์สุดๆดเลยแต่ว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เติมพอมีอะไรแปลกพอมีความทุกข์ขึ้นมาสติะระลึกกบขาดสะบ้านหมดครั้นี้พอตัวผู้รู้เป็นทุกข์ขึ้นมาเสเองะระลึกลงไปเท่าไหร่ไม่ขาดเลยมีแต่ความทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะในขณะนั้นเหมือนมาระจนญกกินเลย จะมีความรู้สึกเลยว่าถ้าทนนั่งต่อไปเนี่ยไม่บ้าก็ตายตายนะจะรู้สึกเลยว่าจะตายแล้วถ้าถ้าไม่ยอมลุกจากการภาวนานไม่ลุกจากอาศัศนะอันนี้ตายแน่นอนอีกไม่นานนี้จะตายล้จิตนี้ได้รับความทุกข์แสนสาหาัสมันจะระเบิดมีความรู้เลยว่าถ้ามันระเบิดนะตายแน่นอนถ้าไม่ตายก็บ้าเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดมานานแล้ว ว่านี่ผ่านอยู่ฟากตายเวลาภาจนจริงๆมันเหมือนถ้าไม่บ้าก็ตายไม่มีทางเลือกมี่ความตายมารอยอยู่ต่อนหน้านี่เรียกว่ามัจจุมานตัวจิตของเราเนี่แหละเรียกว่าเทวบุตรมารตัวจิตใจของเราเนี่ยเทวบุตรมารกิเลสก็ประดังขึ้นมานะมันเกิดจากอาภิสังขารมานก่อน แล้วถึงจะมากิเลสมันอภิสังขารมานคือความคิดปรุงแต่งของเรานี่เองมันรีบบอกเลยว่าถอยเหอะถอยเห่ะถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยนะถ้าเราเบิดเรื่องขึ้นมาตายไปนี่ไม่เสียดายแต่ถ้าบ้านี่เป็นภาระของคนอื่นนะนี่มันสอนอย่างนี้ได้นะวหามันฉลาดมากเลยเราตายเองเราไม่กลัวแต่เรากลัวว่าทําตัวเป็นภาระคนอื่ น, นมันรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้มันก็หลอกเราอย่างนี้นี่กิเลส ตัวนี้เรียกว่าอาพิสังคารามันนะกิเลสมารก็เอาเลยอถอยเถอะเท้อแท้ใจขึ้นมานะนี่เรียกว่ากิเลสมารนะตัวจิตเองนั่นแหละเรียกว่าขันธมารนะทั้งกายทั้งจิตนี่คือขันธมารนะตัวธาตุรู้ของเราเนะั่นเทวปุตต ม, นะมารมารห้าตัวนี้ประชุมกันทํางานอยู่ขณะเองไม่ใช่ว่ามารยกกองทัพมาที่ไหนหรอกนะมาในจิตในใจเรานี่เอง <c oughs> ส่วนตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าวัสวัตตีมานมาในนะั้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้แตนะ่โดยความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติแต่ละคนแต่ละคนแล้วมานในใจเรานี่เองมามีอยู่ห้าตัวนะในใจเรานี่เองทำงานขึ้นมาในขณะนั้นนะทเทวดายินพรหมยมยักษ์อะไรหนีหมดนะไม่มีใครช่วยได้ละตัวคนเดียวล้วนๆใ น, นในขณะนั้น ตัวคนเดียวล้วนๆแล้วต่อสู้กับมารตั้งห้าตัวจะเอาอะไรมาสู้ถ้าได้สะสมบารมีมาพอแล้วนะั้นบารมีนั่นแหละจะมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ยกตัวอย่างนะบารมีมีสิบตัวอย่างทานน้ำบารมีอย่าดูถูกนะทําไมพระเมส่สนดรบําเพ็ญทานน้ำบารมีเต็มแล้วชาติต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเราดูถูกว่าทานน้ำบารมีเป็นเรื่องกระจอกว่าก่อยใช่ไหมทมําบุญใส่บาตร บริจาคให้ขอทานให้สังคมสงเคราะห์ อ, อะไรทานบา ร, รมีถ้าถึงขั้นที่เป็นปรมัสตรบารมีนะคือการกล้าที่จะสละชีวิตเพื่อธรรมะตายก็ตายสิถ้าใจห้่าหานขนาดตายก็ตายสิช่างมันเถอะขอตามรู้ตามดูความจริงโดยไม่ทอดผอยตายก็ตายตายอยู่กับการปฏิบัตินี่ น, ะนี่แหละทานบา ร, รมีที่แก่กล้าขนาดยอมตายเพื่อการ เรียนรู้ความจริงของธรรมะ น, ะนี่ทานที่เข้าขั้นปรมนนะาจารย์ทานทานถึงขั้นสละชีวิตนะไม่ใช่กระจ อ, อกล้อเล่นนะต้องสะสมแบบอย่างเราภาวนาเจ็บปวดปวดเมื่อยนิดๆหน่อยๆ อ, อะไรก็ถอยอย่างที่ใช้ไม่ได้นะต้องฝึกจิตฝึกใจให้มันเข้มแข็งขึ้นเป็นลําดับลําดับแต่ไม่ใช่ทรมานพูดซี้จนพิกลพิการอันนั้นก็โง่เกินไปนะแต่ต้องเข้มแข็งะ เราต้องมีอธิษฐานบรารมีอธิฐานบรารมีคือความตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจแล้วต้องทาให้ได้ต้องฝึกนะอย่าถอยหน้าเช่นเราตั้งใจว่าเราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงต้องหนึ่งชั่วโมงนะแท่งขาจะหักอะไรก็ให้มันหักไปเลยต้องต่อสู้นี่เรียกอธิษฐานบรารมีตายก็ไม่ถอยเพื่อบรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องดีงาม ปัญญาบารมีนะขณะนั้นนะสติปัญญาหมุนจีจีจีตลอดเวลาเลยนะไม่มีหยุดนิ่งเลยในขัมมะบารมีการออกจากกามนะก็มาทำงานในขณะนั้นนะนึกไม่ถึงว่ามันจะทำงานตอนนั้นด้วยนะอย่างมารมันจะบอกเราบอกว่าถอยเถอะถอยออกมาแล้วนะเธอจะมีความสุขที่สุดในโลกอยู่แล้วมาอยู่ในโลกยังมีความสุขคนทั้งโลกไม่มีความสุขเท่าเธอเหรอก มันบอกอย่างนี้นะตายไปนะก็ไปต่อในพรหมโลกก็ได้มีความสุขอีกเน่แนข ม, มารบารมีเนะี่ยคือเราเคยต่อสู้เด็ดเดียวที่จะไม่ติดในความสุขอะความสุขทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเนี่ยหรือความสุขเพลิดเพลินทางใจเนะี่ยไม่เอาแล้วนี่คือเนข่ข ม, มาบารมีที่แกะกล้านะยาวความสุขมาหลอกเลยไม่เอาแล้วจะขอดูความทุกข์ ให้มันถึงที่สุดนีนะ่แหละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะนี่ครูบาจารย์ท่านก็เล่าล่ามานะต้องรูยจักนี้ไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะมาเล่นงานเร า, าถึงสุดขีดนะลูกไก่ที่โตเต็มที่แล้วนะก็เจาะทําลายเปลือกออกมาเองจริงๆอาสวะซึ่งห่อพุ่มจิตอยู่นะ่ถูกทําลายแตกกระจายออกไปนะจิตซึ่งมันทําลายอาสวะแล้วไม่มีเปลือกุ้ม มันจะไร้ขอบเขตนะไม่มีที่ตั้ง <c oughs> มันจะมีที่ตั้งได้ไงมันใหญ่เต็มโลกกธาตเต็มโลกเต็มจักรวาลจิตกระทํานั้นเสมอกันจิตกับโลกก็เสมอกันเต็มโลกเต็มจักรวาลเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีที่ตั้งอนะ่ะเต็มไปหมดไม่ไปไม่มาที่ไปมาถา้ามีขนาดรู้สึกไหมจิตของเราวิ่งไปวิ่งมาได้จิตเราวิ่งไปทางตาเมื่อวานให้ไปทํากันบ้านทํำไหม วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาเมืจิตทึ่งทําลายเปลือกผุ่มออกไปแล้วนี่มีชื่อว่าวิมาริยาที่กัดจิตจิตนี้มีความใหญ่โตกว้างขวางเต็มโลกกระทากก็ไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาไม่มีการวิ่งแล้วไม่มีความปรุงแต่งพ้นจากธาตจากขันแต่ว่าครอบธาตครอบขันครอบโลกครอบจักรวาลอยู่อย่างน้นง จิตเน้นกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเปน็นอันเดียวกันจิตกับธรรมเ้็นอันเดียวกันนะจิตทรงธรรมอยูนะ่ในความเป็นจริงจะว่าจิตทรงธรรมก็ว่าไม่เชิงลนะธรรมมันทรงธรรมอยูนะ่ชีวิตถัดจากนั้นน้ะ็เป็นชีวิตซึ่งไม่มีภาระชีวิตซึ่งไม่มีภาระมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่ในขณะแต่ละขณะขณะ แรกๆที่เข้าไปสัมผัสความสุขชนิดนี้เนี่ยนะมันมีความรู้สึกเหมือนธาตุขันของมนุษย์ทนอยู่ไม่ได้เหมือนจะตายเลยเข้าใจเลยว่าทําไมในตําราชอบบอกว่าถ้าบรรลุพระอราหันต์แล้วเป็นฆราวาสนั้นจะตายเลยตายในวันเดียวนั่นแหละไม่ใช่ในเจ็ดวันแล้วทนอยู่ไม่ได้นั่นเองเพราะว่าความสุขมันมหาศาลไม่ใช่ตายเพราะมีความทุกข์มากนะ แต่ยเพรามีความสุขมากเกินไปจะทนไม่ไหวแต่ว่าความสุขนี้มันจะทรงอยู่นะช่วงหนึ่งเรียกว่าวิมุติสุขนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเล่าให้ฟังอย่างหลวงปู่สุวัตท่านเล่าว่าพอท่านทําเป็นแล้วนี่ท่านมีความสุขอยู่ปีกว่าๆหลังจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสมดุลของมันสบายมีความสุขอยู่แต่ไม่ใช่สุขรุนแรงนะ มีความสุขตลอดเวลาเลยไปเจอท่านไปกราบท่านทีไรนะั้นท่านก็จะนั่งอยู่อยู่ท่านก็บอกโ อ, อ้สุขแท้นอสุขแท้นอนื่นนึกถึงในคำภีมีนะในอัตถตาธรรมบทมีพระอราหารันต์องค์หนึ่งนั่งอยู่ก็อุทานไปได้เดินอยู่ก็อุทานนะสุขเนอสุขหนอนะนี่หลงปู่สุวัสท่านคนอีสานท่านสุขแท้นอสุขแท้นอื่นมีความสุข งั้นไม่ใช่ภาวนาแล้วมีความทุกข์นะภาวนาแล้วมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปเบื้องต้นหัดภาวนาพอมีสติขึ้นมาก็มีความสุขในฉับพลันนั้นเลยนะงั้นฟังธรรมที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยพอสติตัวจริงเกิดนะจะมีความสุขในฉับพลันนั้นเลยนี่ทันทีนะไม่ใช่ลำบากก่อนแล้วสบายเมื่อปลายมือไม่ใช่นะไอันนั้นมันลำบากทางร่างกาย แต่ในทางจิตใจนี่มีแต่ความสุขตลอดสายของการปฏิบัติมีแต่สุขมากขึ้นมากขึ้นนะร่างกายมันสุขบ้างทุกข์บ้างนั้นเป็นธรรมดาพอเรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุขมีสมาธิมีปัญญามีวิมุติก็มีความสุขเป็นลำดับลาดับเอาเลยเวลาลวไม่มีใครบอกเลยเอาชวนไปทานข้าวไป